มีสภาวะผ่องใสอย่างนี้ได้ชื่อว่าสัมปษาทะลัคณะสัทธาขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมไปก่อนพระนาคเกษ็ถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียปานดังสมเด็จบรมมาจากกรพัดตราที่ราช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 อันว่าสัมปักขันทะลักษณะสถานี้อย่างไรเล่าพระนาคเษนผู้เป็นเจ้าจึงถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารอันว่าสัมปักขันทะลักษณะศถานี้ได้แก่พระยะติโยคาวาจร อ, อันมีจิตผ่อนให้เบาจากราคาที่กิเลส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 ก็สมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระทศพลยานโปรดประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าสัทธายะตระติโอคังอั ป, ปมาเทนะอันนวังวิริเยนะทุกขมัดเจติปัญญายะปริสุทธชติติกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าพระโยคาวจรจะข้ามโอคะทั้งสี่ไปพ้น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 เป็นคำรบสิทธิ์จบเท่านี้